ก็เมื่อกี้การได้พูดเป็นภาษาอังกฤษยานโยมคงยาเข้าใจกันก็สอนให้ตามที่พระเจ้าสอนให้ทำดีให้ละบาปให้ทำใจให้สงบอันนี้เป็นสูตรตายตัวของจิตใจจิตใจมีความสุขถ้าเราได้ทำความดีจิตใจเราทุกข์ถ้าเราทำบาปจิตใจเราไม่สบายถ้าเราไม่สงบ ถ้าจิตใจเรามีความอยากใจของเราก็จะไม่มีความสุขต่อให้เรามีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งต่างๆที่เรามีนี้ไม่สามารถทำให้เราดับความอยากได้ต่อให้เราหามาอีกมากมายเท่าไหร่ได้มาแล้วก็หมดความหมายไปความอยากใหม่ก็ยังมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆความอยากใหม่จะหยุดได้ก็ด้วยการ ทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าไม่สามารถที่จะตอบสนองความสุขให้กับเราได้สิ่งที่เราได้มาแทนที่จะให้ความสุขกับเรากลับจะให้ความทุกข์กับเราเพราะว่าเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปเราก็อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอีกดังนั้นเราอย่าไป ทำตามความอยากกันก็จะทำให้เราวิ่งตะคุบเงาไม่รู้จักจบวิ่งไปเคยวิ่งตะคุบเงาดูั้ย <c oughs> ตามม่ไม่ทันเนาะมันอยู่ข้างหน้าเราอยู่เรื่อยเอยงา ม, มันจะทอดอยู่ข้างหน้าเราอยู่เรื่อยเ ร, ยเราวิ่งไปตะคุบมันไปมันก็ขยับไปเราขยับไปมันก็ขยับไปความอยากของเราเหมือนกันพอมันอยากให้เราทำงี้พอเราไปทาปั๊บมันก็ไปอ ย, อยากอย่างนุ่นนะ่ะ พอไปทำอย่างนั้นมันก็ไปอยากอย่างนี้ต่อใช่ไหมทุกวันนี้ยังอยากอยู่ก่าไม่อยากได้นู่นก็อยากได้นี่ไม่อยากได้นี่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีความอยากหลายรูปแบบความอยากในรูปเสียงเก่งน้นความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกความอยากสามชนิดนี้อยากไปทาตาม หยุดมันได้ไม่ตายไม่ทำตามมันไม่ตายอยู่เฉยๆได้มีความสุขมากกว่าแต่เราต้องรู้จักทำใจให้หยุดมันถ้าหยุดมไม่ได้มันก็ทรมานเครียดเวลาอยากแล้วไม่ได้ทำอะไรตามตามใจอยากก็อึดอัดญาติยมีใครอยากจะถามอะไรไหมวันนี้ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจไหม เข้าใจนะเดี๋ยวนี้คนไทยเราพูดภาษาอังกฤษได้กันทุกคนแล้วางเจ้ะบายบายเลยเฮลโลเฮลโหลประมานี้เด็กไหว้ไม่เป็นนะต้องมีแต่บายบายเลยเฮลโลเป็นฝรั่งหมดแล้วบอกให้ว้าใ้วากันกบอกบายบายโอย มุจายมุจจาสายเลยุจาไม่เป็นแล้วคาถามจากคุณโมนีคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดจากผลของการผิดศีลข้อไหนคะหรือเกิดจากการทํากรรมอะไรไว้คะกไไ <c oughs> ไ็ไปนั่งในรถสิทาไมไปนั่งรถมันก็ไม่มีอุบัติเหตุเนีย่ยแล้วอีกการหนึ่งก็กรรมที่มาเกิดไง เกิดแล้วมันก็ต้องมาตายกรรมที่เห็นชัดๆมีสองกันกรรมอันแรกก็คือมาเกิดเกิดแล้วก็ต้องตายกรรมอันที่สองก็ดันไปนั่งรถที่เขาจ ะ, ะมีประสบพุทบัติเหตุส่วนกรรมอื่นไม่รู้นะอาจจะมีอีกหลายอย่า ง, างแต่ที่เห็นชัดๆก็มีสองกรรมนี่แหละคำถามจากคุณเขม ฟังพระอาจารย์สอนเลยมีความคิดว่าในช่วงแรกที่ต้องสร้างสติเพื่อให้เกิดสมาธิได้ง่ายนั้นเราต้องไม่ให้กายกับใจแยกกันใจต้องจับการกระทำทุกอย่างของกายแต่เมื่อเกิดสมาธิแล้วเกิดความสงบเราจะสามารถแยกกายกับใจออกจากกาันได้เช่นนี้ถูกไหมคะใด้เวลาใจสงบใจก็ปล่อยวางร่างกายใจจะเข้าเป็นรวมเป็นหนึ่งแล้วตอนนี้ใจมาติดอยู่กับร่างกาย เราถึงใช้สติดึงใจออกจากร่างกายเวลานั่งเราก็จะดึงมันออกแต่เวลาเราไม่ได้นั่งเรายังทํางานอยู่แล้วก็ผูกมันไว้กับกับร่างกายเพื่อไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่พอเรานั่งแล้วพอเราดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอจิตมันรวมเข้าปั๊บมันก็แยกออกจากร่างกายไปเองคาถามจากคุณพัทพกรณ ทำไมตอนที่หนูจิตรวมครั้งแรกพอออกจากสมาธิกราบพระพุทธเจ้าไม่เหมือนที่ผ่านมากราบแบบซาบซึ้งในพระคุณในพระธรรมและทำทองที่เก็บไว้มาให้พ่อแม่และทำบุญตั้งแต่นั้นมาที่บ้านใส่บาตรไม่ขาดแต่หนูไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และจะปฏิบัติตลอดเวลาบางครั้งก็สงสัยว่าทาไมจิตจึงสั่งให้บริจาคขนาดนั้นเพราะเก็บสะสมมานานค่ะ ก็เพระว่าเราเห็นว่าธรรมะดีกว่าเงินทองอเงินทองไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราได้แต่ธรรมะคือความสงบนี้ดับได้เมื่อเรามีธรรมะที่ดีกว่าเงินทองเราก็ไม่รู้จะเก็บเงินทองไว้ทําไมก็ไว้จากได้อย่างง่ายได้เมื่อก่อนเราไม่มีธรรมะเราเลยต้องพึ่งเงินทองดับความทุกข์ดับความยากลําบากต่างๆแต่พอเรามีธรรมะแล้ว มันดับได้ดีกว่าเงินทองแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองก็เลยยกให้คนอื่นไปได้คํถาถามจากคุณกันข้อที่1วัตถุประสงค์ของการเดินจงกรมคืออะไรใช่การทสาทสมาธิหรือไม่หรือเป็นการเปลี่ยนอริยบทครับก็เป็นทั้ง2 อ, อย่างการเดินจงกรมนี้ก็เป็นการเจริญสติหรือทําสมาธิแบบหยาบหยา คือก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําสมาธิเหมือนกับดูลมหายใจเข้าออกเพียงแต่ว่ามันจะไม่สงบเท่ากับเวลานั่งเฉยๆแต่อย่างน้อยมันก็ป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วทําให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สบายใจ 2. เป็นการเปลี่ยนเอริาบทเพราะร่างกายของเรานี้จะต้องเปลี่ยนเอริาบทอยู่เรื่อยๆเพราะถ้านั่งอยู่ในท่าเดียวนานๆเดี๋ยวมันก็เจ็บ เดี๋ยวมันก็ปวดแล้วถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็จะพิกลพิการได้ข้อที่สองจิตรวมลงหมายถึงอะไรสังเกตง่ายๆได้อย่างไรครับต้องนั่งดูถึงจะรู้ต้องนั่งดูรวมหายใจไปหรือพุโทโธไปพอเวลารวมมันจะเหมือนตับตกหลุมตกบอ่อแล้วก็นิ่งแล้วก็ร่างกายก็หายไปจิตก็รวมเป็นหนึ่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียว สจิตตกภวังใช่อาการหูดับหรือไม่ครับก็จิตดวงนี่เลยะจิตจิตตกผวังแต่ระวังมันมีพวังสองพวังพวังสมาธิกับพวังหลับส่วนใหญ่จะไปตกผวังหลับกันมากกว่าหลับแล้วถ้านั่งคอพับก็แสดงว่าเข้าผวังหลับแล้วคำถามข้อที่สี่ การหมั่นพิจารณาหรือนึกคิดเสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงเสมอโดยไม่ได้นั่งสมาธิจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ครับได้ถูกต้องเป็นการเตือนใจเป็นการสอนใจไม่ให้ลืมความจริงแล้วเวลาไปเจอเหตุการณ์จริงจะได้ทําใจทําใจได้ถ้าเราลืมพอเราไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะตกใจเราจะกลัว เป็นเวลาไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะเราจะกลัวขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยพิจารณาอยู่เนืองเนืองว่าร่างกายเราต่อไปจะต้องเป็นโรคมะเร็งนะคิดอย่างนี้เรื่อยๆพอไปหาหมอหมอบอกเป็นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นตกใจตรงไหนคาถามจากคุณหมูบ่อยครั้งที่อยู่ๆก็นั่งพิจารณาเรื่องราวของคนอื่น แล้วก็เอามาสอนตัวเองหรือพิจารณาตัวเองกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่ายังไม่เกิดขึ้นตามหลักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถือว่าเป็นการพิจารณาที่ถูกทางหรือไม่ครับมันเกิดความรู้สึกสลดสั่งเวทใจไม่ค่อยอยากไม่ค่อยจะอยากมีอยากได้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นก็ถูกแล้วแหละถ้าเราเห็นคนแก่แล้วเรานึกว่าต่อไปเราจะต้องแก่เหมือนเขา เห็นคนตายเราคิกว่าเราจะต้องตายเหมือนเขามันก็จะทําให้เราเห็นความจริงของเราและทําให้เร า, เาหายงมงายหายหลงกับการอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้การอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพอเราแก่เราตายเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับมันได้มันก็จะทําให้เราลดความโลภความอยากต่างๆได้ลงไปมาก พอความโลภความอยากน้อยลงไปความสบายก็จะมีมากขึ้นตั้งวันนี้ที่เราวุ่นวายกันไม่สบายกันก็เพราะว่าความโลภความอยากมันคอยผลักเราให้เราไปดิ้นหาสิ่งต่างๆมาหามาได้มาก้อยเพียงไรก็ไม่พอแต่ถ้าเราเห็นความตายเห็นความแก่เนี่ยมันจะไม่อยากได้เลยความพอมันจะเกิดขึ้นมาเลยแล้วมันความสบายใจก็จะเกิดขึ้น คำถามจากคุณตรงฟางเมื่อก่อนปฏิบัติไปเรื่อยๆนานๆเข้าจะเข้าสังคมไม่ค่อยได้พอมีอะไรมากระทบหน่อยจิตก็กระเพื่องหงุดหงิด ต, ต้องปีกวิเวกไม่ยุ่งกับใครอยากจะถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ต้องสามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติโดยที่จิตจะต้องไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวเมื่อมีอะไรมากระทบใช่ไหมครับไม่ใช่เอาแต่อยู่สันโดษอย่างเดียวใช่เพราะว่า วัดปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นปัญญาไงเพียงแต่อยู่ขั้นสมาธิก็อยากจะอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวพอต้องไปอยู่กับคนนั้นคนนี้วุ่นวายก็ไม่อยากจะอยู่ก็เลยทำให้ไม่สบายใจแต่ถ้าเราถึงขั้นปัญญาเราก็ต้องพิจารณาว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทาใจให้ได้เราห้ามเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ที่ไหนวุ่นวายถ้าเราไปอยู่ที่นั่นเราก็อยากไปอยากให้มันไม่วุ่นวาย เรไปอยากให้มันไม่วุ่นวายแล้วมันวุ่นวายเราก็จะทุกข์ะังนั้นเราก็ต้องทําใจเอา้าวุ่นวายก็วุ่นวายไปแต่เราอย่าไปวุ่นวายกับเขาก็แล้วกันเราก็เพียงแต่อยู่กับเขาไปอันนี้แสดงว่ายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นปัญญาอยู่เพียงแต่ขั้นสมาธิถ้าขั้นสมาธิก็อยากจะสงบอย่างเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครไม่อยากจะรับรู้เรื่องอะไรต่างๆแต่ถ้าอยู่ขั้นปัญญาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ในโลกของความเป็นจริง เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราจะต้องอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดมีเหตุการณ์มีบุคคลอะไรต่างๆเราก็ต้องทําใจรับเขาให้ได้อย่าไปอยากให้เขาหายไปหรือว่าอยากให้เราหายไปจากที่นั่นมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาคำ ถ, ถามจากคุณแสงสว่างการทําบุญด้วยสิ่งของต่างๆด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียว ยังไม่ใช่หนทางหลุดพ้นใช่ไหมเจ้าคะเราต้องปฏิบัติควบคู่ไปด้วยใช่ไหมแล้วการที่เราทำบุญในชาตินี้เพื่อที่จะส่งผลต่อไปในชาติหน้าอิฉั้นเข้าใจถูกไหมคะความจริงทำบุญนี่ก็เพื่อให้เราหลุดพ้นจากเงินทองอ่อันนี้เรายังติดอยู่กับเงินทองถ้าเราเอาเงินทองไปให้คนอื่นจตอไปเราก็ไม่ติดกับเงินทองเราก็จะหลุดพ้นในขั้นหนึ่งขั้นเงินทองแต่อันที่สองจากการทาบุญ ก็ทำให้เราถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะมีเงินรอเราอยู่เพราะเงินที่เราสละไปนี้ก็เป็นเหนงเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาก็จะได้เงินต้นกับบวกดอกเบี้ยด้วยจะได้มากกว่าเดิมเดี๋ยวก่อนนะทางนี้เขาจะรอโยมจะกลับหรือยังจะถวายของหรือ ย, ยังเลยยังฟังต่อเลยโอเคถ้าคิดว่าจะจะกลับก็บอกนะ คำถามจากคุณทีหน่าเมื่อได้เจอกับคุณสเช่นรู้สึกลมปะทะหน้าแรงมากเห็นวัตถุดำๆวิ่งเข้าหาตัวจะต้องทำอย่างไรคะมันทําใจเฉยๆมันเป็นมายามั น, มนทำใจไม่ได้หรอกเหมือนดูหนังอะเวลาดูหนังเขายิงกันปุ่มตามตูงตา ม, ตามคนดูจะไปถูกยิงด้วยปะ่ะใจก็เป็นเหมือนคนดู เ, เหตุการณ์ที่มาปรากฏในใจก็เป็นเหมือนเหตุการณ์บนจอภา พ, พยนตร์ ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจนะมันมานล้วปั๊บเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนหนังระเบิดกันตูมตามยิงกันสนั่นวันไว้คนนั่งดูก็ไม่ได้โดนกระสุนแม้แต่ลูกเดียวใจก็เหมือนกันใจก็ดูอะไรต่างๆที่มาให้เรารับดูเหมือนดูหนังแต่เราไปคิดว่าเป็นของจริงของจังเราก็เลยไปตื่นเต้นหวาดเสียวไปกับมันเท่านั้นเองรู้ว่าเรากลังดูหนังอยู่อ่าย ไ, ไหม เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เหตุการณ์อยู่ตรงนี้มันเป็นเหมือนหนังใจเราเป็นเหมือนคนดูแต่ใจเราไปคิดว่าเราเป็นตัวสแสดงซะเองคือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราเป็นตัวสแสดงความจริงร่างกายนี้ก็เป็นตัวละครอยู่ในจอหนังอีกตัวหนึ่งถ้าเราดูอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดก็เกิดไปต่อให้มันยิงกันตายต่อให้มีระเบิดนิวเคลียร์ตกมาตรงนี้ใจก็ยังอยู่ มันใจไม่ได้ไม่มีอะไรมาทำลายใจได้ทำลายได้ก็แค่ร่างกายกับของต่างๆนี้เท่านั้นเองซึ่งก็เป็นเหมือนกับภาพยนตร์เวลาเราดูภาพยนตร์เขายิงกันตูมตาม่างเขาใส่ระเบิดกันตึกลาม่านช่องพังทลายไปหมดแต่คนดูไม่เป็นอะไรใช่ั้ยใจเป็นคนดูแต่เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏให้ใจรู้นี่เป็นเหมือนภาพยนตร์งนั้นอย่าไปตื่นเต้นตกใจ ให้ดูเฉยๆแต่ใจเราตอนนี้ดูเฉยๆไม่เป็นเพราะไม่เคยฝึกให้มันดูเฉยๆชอบดูแล้วชอบไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราดูพอดูปั๊บก็ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงมันก็เลยตื่นเต้นตกใจไปหมดเนี่ยถ้ามาฝึกทําสมาธิบ่อยๆต่อไปใจมันจะไม่ตื่นเต้นตกใจมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมันจะดูเฉยๆได้ คำถามจากคุณรักสุขภาพเมื่อคืนหนูตื่นมานั่งสมาธิตอนตีหนึ่งจิตสงบมากตั้งแต่นั่งสมาธิมาเป็นความรู้สึกว่างไม่รู้สึกถึงร่างกายไม่ต้องคอยประคองปกติหนูจะนั่งสมาธิในตอนเช้าจะรู้สึกได้ว่าเป็นคันนิกะสมาธิและต้องคอยประคองไว้ค่ะหนูมาพิจารณาว่ามาจากการที่เรายังไม่มีเรื่องราวอื่นๆที่ต้องคิด ปกติหนูจะดูลมหายใจนั่งสมาธิในตอนเช้าประมาณหกถึงเจ็ดโมงเช้าประมาณเก้าโมงก็ต้องลงมาเปิดร้านสมาธิยังจะไม่ค่อยรวมค่ะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็เวล า, เามาทางานกใ็ให้มีสติคอยคุมใจให้อยู่กับงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามความอยากต่าง ก็กุมใจเอาไว้แล้วมีเวลาว่างก็พยายามนั่งบ่อยๆแล้วต่อไปใจเราก็จะรวมได้ง่ายขึ้นแลวอยู่ได้นานขึ้นอยู่ที่สติกำลังของสตินี่สำคัญมากถ้าไม่มีสติก็ไม่มีวันที่จะทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณเขมมีผู้เตือนว่านั่งสมาธิมากทานอาหารก็น้อยจะมีปัญหากระดูกพุนกล้ามเนื้อลีบ บอกเขาว่าเราเดินจงกรมเป็นการออกกำลังวันละสองถึงสามชั่วโมงอยู่แล้วเขาอยากให้เราไปฟิตเนสแต่บอกว่าเราไม่มีเวลาไปเพราะอยากทำสมาธิเราเข้าใจถูกไหมเจ้าคะเพราะพระท่านก็ใช้การเดินจงกรมเป็นการออกกำลังกาย แ, แล้วก็เห็นท่านอายุยืนยาวนั่นนี่สิทำไมของจริงไม่ดูกันโปรฟิทเนี่ยนี่มันตายกันอา ย, อยุาเท่าไหร่อยู่กันถึงแปดสิบเก้าสิบปีกันหรือเปล่า อันนก็เรื่องของใครของมันน่ะอย่างนี้ดีกว่าเธอว่าเธอทำอย่างนี้ดีเธอก็ทำไปก็แล้วกันแทนว่าฉันทำอย่างนี้ดีฉันก็ทำของฉันไปก็แล้วกันไม่ต้องไปก้าวก่เรื่องชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นจะดีกว่าวหมดแล้วน ะ, ะเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกเพราะว่ากำลังเขียนกันอยู่กำลังเขียนกันอยู่กำลังพิมพ์กันอยู่ อันนี้จะคุณนิพพานังนะครับการสนองราคะตัวเองบางครั้งเพื่อคำจัดความกําหนัดทางเพศเป็นครั้งคาวเพราะยังมีความยินดีทางเพศอยู่บ้างแล้วรีบมาเจริญภาวนาต่อถือว่าผิดศีลหรือมีผลอย่างไรกับการปฏิบัติเหมครับก็แปลว่าเราแพ้มันเลยถ้าเราอยากจะภาวนาต้องภาวนาตอนที่มันเกิดราคะขึ้นมา ทนที่จะไปเสพการเวลาเกิดเกิดกระลาทะาขึ้นมาก็พิจารณาอสุภะดูอาการ32ของร่างกายดูซากศพถ้าเราพิจารณาซากศพดูอาการ32ดูตับไตไส้พุงดูโครงกระดูกดูหัวใจดูปอดดูอะไรการม ร, ราคะมันก็จะดับไปไม่ใช่ไปเสพการเสร็จแล้วขึ้นมาพิจารณาสุภะ <c oughs> <c oughs> ทำผิดเวลาควรจะทําก่อนเกิดการมรราคาพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆพอเวลาเกิดอสุภะเกิดความการมาลงขึ้นมาเราจะได้ดึงอสุภะมาดับมันได้อสุภะนี้ก็เป็นเหมือนน้าดับไฟไงถ้าเราไม่เตรียมน้ําไว้ก่อนเวลาเกิดไฟไหมเราก็จะไม่มีน้ําดับถ้าเราเตรียมน้ําไว้พอไฟลุบปั๊บเราก็ตักน้ําสาดสายเข้าไปมันก็ดับได้ไม่ใช่ไปวิ่งหาน้ําอยู่ตรงไหน กลับมาถึงไฟมันก็ไหม้ไปหมดแล้วงนั้นต้องมันถ้าเรามีปัญหาเรื่องการมาราคะแล้วเราอยากจะปราบมันเราก็ต้องหมั่นพิ จ, พจารณาสุภาษอยู่เรื่อยๆพิจารณาการ3าของร่างกายโดยเฉพาะของของคนที่เรามีการอารมณ์ด้วยอย่าพิจารณาของเราของเรามันไม่ต้องพิจารณาหรอกเราพิจารณาของคนที่เรารักเราชอบละ แล้วเขาถามว่ามีผลต่อการปฏิบัติไหมครับพระอาจารย์ถ้า ท, ทําทีหลังมันก็ไม่มีผลเลยจำไหมทำทีหลังเดียวพอมันเกิดมันก็ไปทําแบบเดิมอีกพอเกิดการมาลาคะมันก็ไปเสพการเสพการเสร็จแล้วมันค่อยม า, ม า, ม, ามาภาวนามันก็ไปมันไม่ไปไหนหรอกเหมือนเหมือนเป็นโรคภัยไข้เจ็บรอรอให้มันหายก่อนแล้วเขามากินยามากินยาตอนที่โรคภัยมันหายแล้วกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ต้องกินตอนที่มันเป็นโรคภัยมันจะได้หายได้อย่างรวดเร็วคำถามจากคุณสิทธิศักกายละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของจิตหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่กายละเอียดกับจิตต่างกันอย่างไรครับก็คาว่ากายละเอียดก็เป็นคำพูดที่เราหมายถึงตัวจิตนะ<ม>กายยาบกับกายละเอียดหรือกายทิพย์กายละเอียดก็คือกายทิพย์คือกายที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ใจของเราไม่มีรูปร่างเหมือนกายหยาบคือร่างกายเราก็ใช้ภาษาว่ากายหยาบคือร่างกายกายละเอียดก็คือใจคำถามจากคุณพลพิทักษ์การสวดมนต์ทุกวันแล้วทำให้ชีวิตการงานเราดีขึ้นจริงหรือไม่ครับก็มีส่วนเพราะว่าถ้าเราสวดมนต์เราก็จะมีสติเวลาทำงานก็จะทำงานได้ดีเจ้านายก็ชอบก็จะขึ้นเงินเดือนให้ ถ้าเราไม่มีสติเวลาทำงานบางทีก็ทำผิดผิดถูกถูกเจ้านายก็เบื่ออาจจะไม่ไม่ขึ้นเงินเดือนให้หรืออาจจะให้ลาออกไปซะเลยถ้าสร้างความเสียหายให้กับบริษัทขอคาถามจากคุณศักนารินผมนั่งภาวนาพอจิตสงบก็เห็นว่าอาการสงบก็ตัวหนึ่งจิตที่ไปรู้อาการตัวสงบก็ตัวหนึ่งกายที่มีอยู่ก็ตัวหนึ่ง แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าทั้งสมส่วนนี้ต่างกันต่างกันอยู่อย่างเป็นแต่มันอาศัยร่วมกันผมต้องทำอย่างไรต่อครับก็ในขณะสงบก็ไม่ต้องทำอะไรเวลาออกจากความสงบมาก็พิจารณาว่าตัวไหนตัวไหนถาวรตัวไหนไม่ถาวรตัวไม่ถาวรก็อย่าไปยึดอย่าไปติดมัน่นร่างกายมันไม่ถาวรก็อย่าไปยึดไปติดมัน ใจนี่มันถาวรเราก็อยู่กับใจไปส่วนความสงบมันก็อยู่ที่เราถ้าเราทำมันก็สงบถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่สงบถ้าเราอยากสงบเราก็ต้องทำคำถามจากคุณฝนคนไข้ที่เจ็บป่วยถ้ารู้ตัวว่ากำลังจะตายจะกำหนดจิตอย่างไรคะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าถึงเวลานั้นแล้วมันสายไปแล้วเหมือนนัโมวยที่ไป ขึ้นชกแล้วจะไปให้โค้ชไปบอกให้ต่อยอย่างนั้นต่อยอย่างนี้อ้าจะให้สอนก็สอนตอนที่ก่อนที่ยังไม่ไม่เจ็บยังไม่ตายเช่นตอนนี้ถ้ายังไม่เจ็บไม่ตายก็หัดทำใจให้สงบหัดนั่งสมาธิหัดฝึกสติอยู่บ่อยๆแล้วต่อไปเวลาตายจะได้ทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณอักษรยมทำบุญใส่บาตรที่หน้าบ้านจะได้บุญเหมือนการไปวัดไหมคะ เหมือนกันบุญทำที่ไหนก็ได้ทำที่อื่นทำกับคนอื่นก็ได้ไม่ได้ทำกับพระทำกับเด็กพิการก็ได้ทำกับปลากับนกก็ได้เช่นเราไปปล่อยนกปล่อยปลาถ้าจํานวนเงินที่เราใช้เท่ากันก็ได้บุญเหมือนกันเอาเงินไปปล่อยเงินร้อยบาทไปปล่อยนกปล่อยปลาเอาเงินล้อยบาทไปซื้อข้าวใส่บาตรให้กับพระก็ได้บุญเหมือนกันบุญคือความสุขใจ คำถามจากคุณหยาดลุงการบริกรรมพุทโธขณะที่เดินหรือนั่งนั้นคำบริกรรมที่เราบริกรรมควรท่องให้กึกก้องในใจหรือควรบริกรรมให้เป็นไปตามปกติคะก็บริกรรมตามปกติให้สบายสบายอย่าไปเครียดกับการบริกรรมค่ะคำถามจากคุณกหนกพรวัดได้กรถินหลวงไหมคะวันไหนคะ อวันนี้เป็นกระถินหลวงทุกปีเนี่ยเพียงแต่ว่าใครจะเป็นผู้อัญเชิญมาปีนี้ก็การบินไทยเป็นผู้อัญเชิญกระถินหลวงมาในวันเสาร์ที่29ตุลาคมเวลาประมาณ10นาฬิกาคำถามจากคุณลิตาระหว่างนั่งรอคิวนั่งในรถหรือนั่งขายของสามารถบริกรรมพุทธทไปด้วยได้ไหมคะ ตอนนี้พยายามบริกรรมให้มากในระหว่างที่ทำงานแบบไม่ได้ใช้สมองเช่นเวลาทำงานบ้านด้วยค่ะใช่ทำได้ทั้งวันเลยทำได้ทุกเรียาบททุกงานเลยถ้าไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานก็ให้บริกรรมไปเรื่อยๆคำถามจากคุณ <c oughs> อุมาพร <c oughs> สามีเจ้าชู้มาก <c oughs> เป็นกรรมที่เราเคยทำมาหรือเปล่าคะ <c oughs> พยายามปล่อยวางไม่ยึดติด แต่ทุกครั้งที่เขามีคนอื่นใจมันเป็นทุกข์ทำอย่างไรให้ใจไม่ไปยึดติดคะก็ต้องมองเขาว่าไม่ใช่เป็นแฟนเราเยคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเราไม่เห็นเราไปทุกข์กับเขาเลยใช่ไหเขาจะไปมีแฟนที่ไหนไปยุ่งกับใครเราก็เฉยเฉยก็มองเขาว่าเป็นคนรู้จักกันเฉยเฉยกัแล้วกันอย่าไปคิดว่าเขาเป็นแฟนเป็นของเราพออะไรเป็นของเราเรามักจะห่วงพอห่วงแล้วพอเขาไปเป็นของคนอื่นเราก็จะทุกข์ อย่านอย่าไปถือว่าเป็นของเราคำถามจากคุณนร ล, ลงเดชละกามยากมากครับทำยังไงครับต้องมันพิจารจนาสุภาพอยู่เรื่อยหมดแล้วน ะ, ะมีใครอยากจะถามอะไรไห ม, มถ้าไม่มีวันนี้ก็จะได้ เ, เร็วหน่อยเพราะว่าคงจ ะ, ะได้ยินได้ฟังกันมากพอสมควร ก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสได้คุยกันได้ฟังกันต่อวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทธอ